ธรรมัตสปาริยาญาสซาธายัสมันเตหิสักกัดจังธรรมโมโสตโพติทุกคนให้นั่งอันดับแรกห้าสเตปจำไว้นะหนึ่งคโค ด, ดอายเดอปิดตานั่ง ปิดตาคือหลับตาสเตปแรกหลับตาสเตปที่สองก็เป็นดอกยเปิดใจเปิดใจคือตั้งสติสติลงปัจจุบันสองนะครับตั้งสติลงปัจจุบันรู้ตัวว่าเรานั่ง สามดูสีดัมมดดูอารมณ์อารมณ์มันมีนิทราลมคือความจำเรื่องดีอานิทราลมความจำเรื่องไม่ดีส่วนความจำกลางๆจะไม่ดีไม่เชื่อให้ดูอารมณ์เทียบที่สาม เทปที่สี่กรองอารมณ์ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี mm. อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีจะมีสาเหตุมาจากความคิดความจำเรื่องอดีต mm. ถ้ามีทั้งสองขึ้นขึ้นชอบขึ้นไม่ชอบ mm. แล้วก็มาเสนอให้ปัจจุบันคือจิตปัจจุบันรับทราบคือใจนี่ เขามีหน้าที่รู้อารมณ์เราตั้งลงไว้แล้วที่ว่าสเตตที่สองเนี่ยเปิดใจอ่ะเศีพิสารดูอารมณ์ถ้าเป็นอติตาก็รู้ทั้งดีทั้งไม่ดีอนาคตาคืออนาคตก็ให้รู้ว่าเรื่องที่ยังไม่ถึงซึงมีอยู่กับยังไม่มีที่นี่ ที่สี่ที่ห้านี่คือรวมความแล้วอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเรียกรวมมาเป็นธรรมอารมณ์ธรรมก็คือความจริงอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ต้องกรองตัวนี้กรองอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตต้องอาศัยปัญญาเพื่อกดยกเป็นภาษาบาลีขึ้นบงต้นหน้าจิตใจอจะบริสุทธิ์หมายถึงไม่ไม่หลงอารมณ์ทั้งอดีตไปอนาคต พะโชวปัจจุบันนี้ท่องอาศัยปัญญาปัญญาคือรู้แจ้งว่านี่คืออารมณ์อดีตนี่คืออารมณ์อนาคตนี่คืออารมณ์ดีนี่คืออารมณ์ไม่ดีอแล้วก็พระโชว์ปัจจุบั น, นเมื่อโชวปัจจุบันแล้วก็อารมณ์ไหนเกิดขึ้นกน็กําหนดรู้อารมณ์นี้เกิดขึ้นก็รู้อยู่ชุดท้ายก็คือวางโทดีฮานะสเตปที่ฮานะือวางทุกอารมณ์ วางหมายคือว่าปล่อยปล่อยคือไม่ปรุงต่อเรารู้เรื่องอารมณ์ทั้งหมดแล้วคือหยุดอย่าไปปรุงต่อแต่ละอารมณ์ให้มันรูปหมดแต่ว่าล้างหมดพอเราวางอารมณ์ได้แล้วมันก็เป็นความว่างว่างกัความว่างก็เป็นปเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้ามีอยู่มีความว่างอผลของความว่างก็คื อ, คอจิตนี่ก็ต้องเฉยเนี่ย นี่หลักของการกำหนดจิตภาวนาห้าสเต็ปทำไมจึงจ้องกำหนดอย่างนี้เพราะมันเป็นทางลัดและก็ทางตรงตรงเข้าสู่ความวางว่างเปล่าตรงสู่ความสงบมันไม่คำว่าตรงเข้าสู่ไม่ใช่ตรงออกไปนะตรงออกไปสู่นี่ มันจะยาวทางจริงวิธีตัดเรื่องยาวตรงเข้ามาดูตรงเข้ามาดูที่พุลู่พุลู่คือพุทธะคือพุทธรูนั่นก็คือมีสองขึ้นพุลู่ของพุทธะเป็นพุลู่ลู่อะไรก็ละนั้นนี่ลูกของพุทธคือพุลู่ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพุลู่กับที่อยู่กับพัทธธรรม ผรูที่อยู่กับพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างเนี่ยมันจะเป็นความรู้ละในขณะที่เราภาวนารู้อะไรจะไม่ไม่ปรุงต่อให้อารมณ์แต่ละอย่างดับไปดับไปผูรู้ไม่ดับส่งผูรู้ไว้ส่งผู้รู้ไว้ส่งไว้อย่างนั้นจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงรอบรู้หมดเลยสัมปชัญญะแต่ว่ารอบกาย นั่งท่าไหนความถืออยู่ในกายลักษณะไหนแบบคันหรือเก็บหรือปวดรูปเฉยๆรูปรูปลูปรูปประธรมรมคือรูปร่างกายเนี่ยความจริงเขาจะแสดงอยู่ตลอดเวลารูปประธรมรมเป็นร่างกายเรามีขาสองแขนสองชิษฐานหนึ่งรูปนี้เป็นกลางไม่รูปนี้ไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะอะไรเขาเป็นธาต อย่างเงี้ยรวมกันอยู่ในในในลูปพระธรรมนียธาตุนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแต่มาประชุมรวมกันนี่ว่ารูปพระธรร ม, มพระธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงในในรูปร่างกายนี่นะเขาจะแปรปรว่ยนเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความสามัคคีของธาตุแล้วแต่เราไปเกี่ยวข้องอืม กับอากาศจะาธาตุประเภทไหนถ้าอากาศบริสุทธิ์นั่งหรือนอนอยู่ก็หายใจสะดกถ้าเข้าไปสัมผัสอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเข้าไปในห้องทึบห้องมือดอากาศไม่ดีมีกลิ่นสกรปรกเหม็นสา์เหม็นคาวหรือว่ากลิ่นควันไฟหรือว่ากลิ่นอะไรที่มันคุ้งอยู่ในที่ตรงนั้นก็เอาอากาศที่ไม่ไม่ดีเข้าไปมันก็มีปฏิกิริยาในาธา ก็แสดงอาการที่ปั่นป่วนขึ้นมาท่า น, นการเอาถาดดินเข้าไปเช่นอาหารงนี่อเอาเข้าไปบางทีถาดดินถาดอาหารที่ผสมอยู่กับถาด น, น้ำนี่ผสมกันเรียกว่าอาหารเอาเข้าไปเล่อเลี้ยงถาดเอาถาดเข้าไปเล่อเลี้ยงถาดผู้ลูกก็อยู่ในกิจใช่ไหมเราเอาอาหารนี้เข้าไป แต่สมมุติว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาเข้าไปใ น, ในร่างกายของเราในอัคคะพจนนี่ถ้าทําความรู้ไวเอาธาตุมาบารรลุธาตุมาเลี้ยงธาตุทาความรู้สึ ก, กว่าธาตุกระทบธาตุธาตุอาศัยธาตุอันนี้เป็นเรียกว่าปัญญาอืมใจิตใจเราก็ไม่หลงล่างความหลงออกในขณะที่เราเอาธาตุมาบารรลุธาตุนิวินั่งอยู่อันนี้ ตอนนี้ท่าลมก็ปกติเข้าออกปกติท่าไฟเราก็ทําหน้าที่ปกติมีความอบอุ่นรอบกายของเราท่านั่งก็ทําหน้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเลือดจะมีติดขัดอยู่ที่ท่าลมท่าลมปกติเราเคลื่อนไปไปมาสะดวกอย่างนี้นเนี่ยมันก็หมุนเวียนไปตามสายของลมทีนเราพอมานั่งอย่างนี้นั่งอยู่ท่าดเดียวนี่ มันก็จะมีปฏิกิริยาอาการแสดงออกมาลมไปแม่สะดวกจะมีอาการร้อนพอทัดไปมันจะทรงอยู่ที่เดิมนิ่งแี่ท่านลมไม่พัดผ่านไปนี่ก็มีการความอบร่างกายนิ่งที่นิ่งอยู่นี่ความร้อนจากร้อนกับการเป็นการเก็บการปวดขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นเรื่องของอ ความจริงของร่างกายชั่วเราทําอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้นีให้เข้าใจอย่างนี้ก็เป็นปัญญาล่างหลงไม่ให้ไปกังวลในอา่าที่มันเจ็บมันปวดเพราะเราวรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเลิก น, นี่เราไม่ใช่ถูกอมืมัดไว้อยู่ท่าเดียวเป็นวันวันคืนคืนอย่างนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นเรารู้ว่าถึงเวลาก็ต้องเลิกปัญญาลู่ทันเราก็วางเฉยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเจ็บปวดน้อยมากขึ้น อย่าไปปรุงต่อว่ามันเจ็บขนาดนี้เดี๋ยวนั่งพนันเด็กเจ็บมากขึ้น น, นี่ก็หลอกจิตมันมีอยู่อย่างไรให้ทำความรู้อยู่ยนั่นเชื่อว่าใชาิปัญญาล้างความหลงในขนาดที่เรานั่งอยู่เนี้ยความฟุ่งซ่านหุดหงิดเทืองไรก็แล้วแต่น่นเป็นความรู้เป็นความรู้ที่เกิดจาก ความหลงไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากพุทโธธรรมโังโคพุทโธธรรมโังโคจะเป็นความรู้จริงเห็นจริงทำความจริงมาจะิญละจะไม่ปรุงแต่งจะไม่ข้างบนในในสิ่งที่ถูกรู้หล่านั่นทั้งหลายอืมีส่วนรูปธรรมในเรานั่งสมาธิรู้อยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ไปเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อยนี่แปลว่า มีปัญญาล่างของทุกขณะปัญญาแปลกด้ความรอบรู้ความจริงในขณะที่เรานั่งเพราะว่าร่างกายเขาประกาศความจริงเรานั่งสมาธิเขาประกาศความจริงเริ่มนั่งที่แรกเป็นอย่างนี้นั่งไปนั่งไปก็เป็นอย่างนี้นี่เขาเขาแสดงความเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นธรรมะแหละเป็นตราักษ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเปลีป่ยนแปลงเนี่ยเขาจะเทศนาให้ ให้ผู้ปฏิบัติไปรับทราบให้ลูกไปตามความจริงก็คือใช้ปัญญาอย่างเดียวปัญญาเพื่อต้องการให้จิตใจไม่หลงร่างหลงบริ ส, สุทธิ์ถ้าใจไม่หลงจิตใจก็บริ ส, สุทธิ์ลูกจริงเห็นจริงตามความจริงนั่นทีว่าใจเป็นบริ ส, สุทธิ์ไม่ปรุง ไม่คิดไม่ติดไม่คล้องในเรื่องอะไรในขณะที่เราภาวนาปฏิบัติเนี่ยฝึกให้ฝึกให้จิตนีเข้มแข็งอยู่ในความรูดตัวทั่วพอมเที่ยงตรงเที่ยงก็คือมาถึงว่ามันเที่ยงตรงคงที่ต่อธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต่อธรรมะในรูปธรรมจากนั้นก็ละเอียดเข้าไปกับ ดูนามาธรรมดูปนามาธรรมก็คือความรู้สึกเนะี่ผูลูกับอารมณ์รวมกันดูออู่มาโซมาโซให้ผู้รู้รู้อยู่รวมกันทั้งที่ว่าธรรมอารมณ์แท้ตุปั จ, จโยอัลลามนาปั จ, จโ ย, เ, ยเหตุทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่จะให้ใหเกิดกิเลสต้องจะให้ละกิเลสได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์ อารมณ์เป็นกลางๆไม่นีไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทําให้ใครว่าวุ่นขุนัวอะไรที่ว่าวุ่นขุนโมพุ่งชั่นลาคาญพุ่งคิดติดข้องเพราะเป็นหลงหลงอารมณ์นะจาเรื่องดีโอพุ่งต่อไปอยากให้ดีอย่างนี้ภาวนาวันนั้นเวลานั่นโอ้นั่งดีจังเลยจะไปยึดตัวความดีที่ที่เคยเป็นเคยได้มานั่นนะมารอบปัจจุบัน พอปัจจุบันนั่งไปอ้าคราวนี้ทำไมมันไม่สงบทำไมมันไม่นิ่งไม่สบายเหมือ น, นแต่ก่อนแนะก็เราหลงปัจจุบันเพ่งคิดถึงเรื่องที่ล่วงมามันก็เลยไม่ละมันมีความอยากให้เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั่นรู้ขณนะที่โรดปฏิบัติเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละ กิเลสมันจะเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นขณะนี่เวลานี่มันไม่ได้มีพุ่งนี่เดือนนี่ปีนี่นะมันยังไม่ถึงมันยังไม่มีหรอกถึงที่มันมีไปแล้วมันโลภมันโกรธมันหลงมันขัดเครืองหงุดหงิดพอใจอะไรมันก็หมดมาแล้วหมดแล้วกี่ันกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่ครั้งกี่คนที่ผ่านมาหมดแล้วถึงที่หมดแล้วก็คือสิ่งนั้นนั้นไม่มีสิ่งไม่มีน่นก็คือมันคคือคือว่าง มันมีอยู่มีความว่างอืมว่างอยู่ตรงไหนว่างอยู่ขณะนี้แหละเวลานี้ปัจจุบันนี่นะอดีตข้างหน้นามันมันไม่มีมีก็คือมันไม่มีมันหมดแล้วคืออดีตอนาคตไม่มีเพราะมันยังไม่ถึงถึงที่ยังไม่ถึงเราจะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ก็หลอกปัจจุบันทําให้ทําให้ปัจจุบันของเรามัน ไม่มีปัญญาทำให้ความหลงเข้ามาบังคิดแล้ววิสาความไม่รู้แจ้งมาบางังคิดฉะนั้นเราตึงแท่งพินิษให้เข้าใจสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันเป็นอะไรในจิตในจิตแต่อารมณ์ของเราจิตใจกับอารมณ์ผสมกันอยู่นี่เรียกว่านามธรรมเป็นธรรมเป็นความจริงแต่ไม่มีรูปร่างไม่มีวัตถุแต่มีแต่ความจาความชิด ความรู้สึกเนี่ยคิดจาแล้วก็รู้สึกในรูปเนี่ยรูปของเจ้าของรูปของคนอื่นบ้างอืมรูปประดีตบ้างรูปปัจจุบันบ้างรูปมันก็มีมีวิญญาณไม่มีวิญญาณบ้างรูปการรูปงานรูปเงินรูปทองรูปอ้าวรูปของเรืองสื่อรูปที่อยู่อาศัยบ้านสองห้องหออาหารข้าวกินได้ที่มันคิดมันจําขึ้นมาน่ะรูปหมดเละ รูปหรอนั่นเขาเียตลอดเวลาเขาไม่ได้ดีดมดันไม่เชื่อไม่ได้ทำให้ใจิตใจเป็นรูปเดือดร้อนเลยนอกจากใจที่ไปเข้าใจว่ารูปเป็นเราของเราของเราเท่ า, านั้นนั่นก็คือหลงหลงแล้วพอหลงแล้วใจิตใจก็เศ้าหมอง ถ น, นั้นคําว่าสม า, สมาธิเนเราฝึกทุกวันวี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเริ่มฝึกมานี่้งทุกวันนี้นต้องให้กําหนดรูปอะไรที่ทำให้ใจเศ้าหมองต้องกำหนดดูให้หน้ามันก็มีที่กําหนดอยู่คำว่าสมาธิเพ่งจิตคือดูจิตไม่ใช่เพ่งออกนะเพ่งเข้ามามูทุลู่นี่ดูจิตใจเนี่อยู่ภายในจิตนี่อผู้รู่นี่มันมีอารมณ์เป็น อารมณ์ที่เราเลือกเราลึกอะไรอ่ะเราก็ต้องเลึกถึงความเป็นจริงเลึกอะไรก็ได้รูปธรรมก็ได้ถ้าไม่เป็นจริงก็อยู่ในธรรมลึกถึงประธรรมเลึกถึงประสงค์หรือคือเราปฏิบัติไปตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงอยู่ตรงไหนเราปฏิบัติกําหนดไปตรงนั้นอืรูปธรรมก็เป็นจริงตอนนี้นามาทํากับเป็นจริงน้ามาทําก็บคิดจำรู้สึกนี่เกิดดับ เกิดดับคิดขึ้นมาจําได้หมายรู้แล้วรู้กแจ้งแล้วก็ดับคิดขึ้นมาใหม่คิดมาใหม่ก็จําได้รูก้แจก้งก็ดับเพราะเป็นสิ่งที่ถูกรูก้ของจิตเพราะเป็นของคู่กันมโนธาตุธรรมธ า, าตุมโนก็เป็นธาตุรู้ธรรมลมก็เป็นธาตุที่ถูกรูก้เมื่องมาธรรมลมมากระทบกับจิตแล้ว แต่ความรู้สึกก็เป็นมโนวิญญาณธาตุก็เป็นเป็นความรู้แก้งเกี่ยวกับธาตุก็ดับมีความจริงจะเป็นลักษณะนั้นเวลาเพ่งเข้าไปดูมันจะเป็นอย่างนั้นอืตาเราจะมองเห็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ถูกเห็นเนียเขาเชยหมดแล้วเห็นอะไรก็แล้วแต่ลืมตาดูทั้งหมดเป็นรูปเป็นอะไรกแ็แต่สิ่งที่ถูก เห็นของตานก็เฉยตลอดเวลาเขาไม่ได้เคยประกาศว่าเขาสุขเขาทุกข์เขาดีเขาเชื่อตรงไหนอืถ้าเป็นความรู้ของพุทธะจะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นตาเห็นอะไรก็บรู้ความจริงอย่นั้นเลยเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแล้วไม่เฉยมันก็ต้องมีความต้องการในต้องการของใจละที้งให้ความต้องการต้องการจะเป็นเหตุให้เกิด กวามปรุงคิดติดข้องหรอเป็นเหตุของมันให้ให้ให้จิตปรุงคิดติดข้องในเรื่องที่เห็นนั่นแหละถึนี่นันก็เป็นสายเห่นความหลงก็มาครอบงําจิตในขณะที่เราปฏิบัติมันเห็นอยู่ข้างในนีเน่เห็นข้างนอกคือตาจัตสุหรือตานอกอืมตาในหรือคือ ส, สติกับปัญญาที่อาศัยกันอยู่เรียกว่าตาใน ฉะนั้นเราต้องมีตานอกตาในเห็นอะไรมองไปเฉยหมดแหละเขามาดีๆจะช่วยอะไรอย่าไปว่าเอทําไมทําอย่างนี้ไม่ดีทาไม่ดีเราก็ทําให้มันดีได้เข้าห้องน้าําก็ตามเข้าลงครัควก็ตามอะไรก็เราเห็นไม่ดีทําให้มันดีได้ไม่ต้องไปวุ่นวา ย, วายห้องน้าํามันไม่เขาไปถ่ายไว้เขาทาอะไรเขาลืมเมือ่อว่ามันเขาลืมกดตามไปก็ทําให้มันดีก็จบไม่ต้องไปคิดหามว่าใครมาทำอย่างนั้นใครมาทําอย่างนี้น ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ดีก็ถ้า ม, มีมีอํานาจที่จะทําทําเลยไม่ต้องไปโทษว่ามันไม่ดีมันไม่รู้เรื่องอะไรหนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตาเรานะ่ะมีแต่บุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยากดีก็ทําเลยอืมทําให้มันดีทําไปจึงทําให้มันดีก็ตีแล้วมันก็สบายเห็นแล้วมันก็สบายเห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดีแล้วก็สบายนี่ตาเห็นก็เป็นปัญญาหูได้ยินเหมือนกัน หูยินก็ให้เป็นปัญญายินเรื่องอะไรก็เล้วแต่เรื่องดีมีประโยชน์เขารู้ไม่ดีไม่มีประโยชน์เขารู้ถ้าจำเป็นก็ทำไม่จำเป็นก็ละเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่เราจะต้องได้รู้ได้เห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีนดิละแต่ว่าละและเอามา สอนอนี่แหละเหตุที่ให้เกิดทุกข์ถ้าไปทำํำก็สอนเยวะกว่มเห็นเรื่องไม่ดีต่างๆได้ยินเรื่องไม่ดีต่างๆก็มาสอนถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ก็อย่าหยุดอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดทําไมจึงไม่ไม่ทําไม่พูดไม่คิดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอก ส, ส, สามไตโลกธาตุจอมาศาสดาไม่ใช่าศาสดา อ, อธรรมด า, าศาสดาของ อาจารย์ต่างๆในโลกนี้อืนเป็นศาสดาอาจารย์สอนเฉพาะ ม, มนุษย์นี่เท่านั้นแหละเจงขนาดไหนก็ตามไม่ใช่จอมศาสดาเอกเอกแปลว่าเป็นหนึ่งของโลกพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกมนุษย์โลกเทโวโลกภูมิโลกนะฮะเาลบพระพุทธเจ้าหมดเลยดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะไปลบอย่างอื่น อย่าอื่นเป็นลองขลุบพยงนูงพยานาคลุบ อ, อะไรตอนแล้วแต่เออขลรบได้แต่ว่าไม่ต้องทําตามเพราะทําตามพุทธเจ้าแล้วมันเหนือกว่าแหลมเมื่อก็โลก เ, ออเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมเมื่อเรามีวัตถุอันหนึ่งที่มีราคาแพงที่สุดนนเนี่ยเนี่ยเรามีแล้ว อ, อืเราจะไปหลงไหลวัตถุที่ราคาด้อยกว่าที่เรามีอยู่ มันก็เรียกว่าไม่มีความรู้ตัวว่าตัวเองมันมีสิ่งที่ดีแล้วอันนี้อั น, นั่นนะไตสานาคมที่เราเคารพนับถือพุทธา ท, ทางธรรมสังฆังฆ์สนางสามินต้องลึก อ, อยู่เสมอสลาณะก็คือที่พึ่งแต่นนมีพุทธธรรมสังฆเนี่ยสามอย่างนี่นะทางใจเราน่ะนอกนั่นเป็นของอาศัยเฉยๆพึ่งไม่ได้อืม ทางใจพึ่งไม่ได้แต่ว่าส่วนการมันึ่งได้อยู่เพราะเป็นวัตถุอะไรกายเราเป็นวัตถุก็มีสิ่งที่ต้องอาศัยนี่แหละทําความรู้จริงเห็นจริงตามควา ม, มจริงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าล่างหลงในะขณะที่เราเป็นชาวพุทธพยายามล่างหลงออกจากกิจให้ได้อออย่างแน่นอนถ้าล่างไม่หมดในชาตินี้มันเกิดเป็นนิสัยเป็นปัจจัย ที่มีความตั้งมั่นในการที่จะล่างความหลงออกให้หมดในจิตเราเนี่ยถ้าไม่หมดชาตินี่เกิดมาท้าบมาอีกล่างอีกล่างด้วยพุโทโธธรรมสังโฆไม่มีอย่างอื่นเอามาล่างไม่ได้นอกจากพุโทโธธรรมสังโฆเรามี้ที่ทาให้ติดเอามาใส่เท่าไรมันก็ติดไปฉะ น, นั้นติดมากขึ้นมากขึ้นมัดมาพันติตใจให้มากขึ้น สิ่งที่เป็นวัตถุมันเป็นเพียงบรรเทาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเท่านั้นมาสุขภาพร่างกายนี่ก็เป็นสารของวัตถุของโลกเราก็จำเป็นจะต้องเอาวัตถุของโลกบางอย่างมาเยียวยามาบรรเทามันไว้สุดท้ายแล้วมันก็คืนสู่คืนคืนสู่ธรรมชาติเดิมที่ได้มาจากอะไร น้ำไปเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินก็ไปเป็นดินคืนสู่สภาพเดิมของเก่าไม่มีใครที่จะเอาอะไรได้สักอย่างในโลกนี้ส่วนจิตเราต้องเอาพุทโธธ โ, โมสังโฆให้ได้เพราะเป็นไตาคือสามตายสนะสนะคือที่พึ่งสามอย่างคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ น, นั่นที่นี่นะั่นไม่ใช่ตาเห็นนะั่นะคือพระพุทธไม่ใช่ หูได้ยินนั่นคือพระพุทธก็ไม่ใช่หูได้ยินตาตาเห็นก็นไม่ใช่พระุทธะก็คือผูอ้รู่ตัวทั่วพร้อมลู่อะไรลูร่ความจริงทั้งหมดถึงที่มาเกี่ยวข้องแต่อายตนะนี่ลู่จริงจะละลู่จริงอะจละลู่จริงจะละเพราะมันเป็นจริงนี่นแหละพุทธะที่จริงๆได้ก็คือเป็นผู้ลูล่ละรู่ไม่ยึดลู่ไม่ติดตแต่ว่า ไม่หลงไม่หลงก็คือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่บางบางอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะ<อ>ถ้าเรารู้จักกระช่าให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตตัวเองหรือผู้อื่นนะส่วนรวมอย่าง<อ>ร่างกายอย่างเนี้ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์น้อยลง นั่นแหละเป็นตัวมาบรรเทาบรรเทาทุกสิ่งที่เราได้เรามีทุกวันเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญญาสมาธิธิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็นึกว่าความสุขอยู่กับสิ่งนั่นทางนั้นทางนั้นมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านนี่บ้างหลังใหญ่ๆมียศทามรดาศักดิ์สูงๆคนเคารพนับถือไปที่ไหนก็มีผู้ดูแลป้องกันเป็นฝูงเป็นแถว อันนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมยั่งยืนคนมีสื่อเสียงรวมรงมดังๆเก็ไอ้อย้ได้ปิดหนักเข้าก็ซื่อเสียงก็หายหมดมเป็นโชคภัยไข้เจ็บหนักเข้าหนเข้ามหมดลมไม่แกก็ทิ้งหมดอันนั้นปัญญาเราก็ต้องเข้าใจปัญญาในที่ควร ยึดปัญญาไหนที่ควรวางยึดเราต้องยึดพุดโทโธยึดธมโมยึดสังโฆยึดพุดโทโธเป็นความรู้จริงเห็นจริงตามสภาวะที่ตาเห็นหูได้ยินทั้งหมดเนี้ยยึดความจริงตัวนี้ดูจริงดูอะไรก็ให้มันเป็นจริงอย่างนั้นจริงแล้วก็จริงเรื่องอะไรก็ความหลงไม่มีในนั่นเรียก ว, ว่าอละกิเลสละกิเลสกิเลสก็คือความหลงหลงในตาเห็นนั่นแหละ ลงในหูได้ยินหลงในกลิ่นที่สัมผัสจมูกลงในรสอาหารที่เข้าสู่ลิ้นลงในสิ่งที่มาสัมผัสกายของเราเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่ที่สัมผัสที่กายมีความรู้สึกนอกจากส่งเข้าไปหาจิตพุทธะถ้าจิตเป็นพุทธะแล้วสัมผัสปั๊บพระเลยว่างเลยเพราะทำหน้าที่อันเดียวอยู่แล้วจิต มณินทรีย์มณะคือใจน้อมนึกอินทรีย์ความเป็นใหญ่นะเพรามเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในที่นี่หมายถึงว่าทําหน้าที่อย่างเดียวให้เข้าใจนะทําหน้าที่อย่างเดียวถ้าเราศึกษากําหนดรู้ความจริงอย่างนี้แล้วโอ้ยันง่ายง่ายมากในเรื่องปฏิบัติทํามง่ายที่สุด อย่างตานี็นไหมเราอะจกคุณดาเรียงภาษาบาลีจะคุณดาเรียงคือตานี่เปิดอินทรีย์เป็นใหญ่มีหน้าที่เห็นอย่างเดียวเขาไม่ได้ทาหน้าที่ได้ยินอะไรที่ไหนเห็นแล้วซื่อสัตว์สุจิทริย์ที่สุดตาดทำหน้าที่อย่างเดียวนะสมมติเป็นลูกประธรรมนะมีลูกน้องอยู่ห้าคนอย่างนี้นะใจเป็นพอโบอใหญ่ จิตใจเป็นพอโบอใหญ่มีลูกนอก้องอยู่ห้าคนลูกน้องแต่ละแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวเองนี่นะหนึ่งนายตาสองนายหูสอสรัพนายจ ม, มูกสี่นายลิ้น5้านายกายก็สั่งว่าเฮ้ยตาเธอต้องทำหน้าที่อย่างเดียวนะครับตากลับนายหูเธอต้องทาหน้าที่อย่างเดียวนะ ได้ยินเสียงอย่างเดียวนะครับน้าจมูกครับทําหน้าที่อย่างเดียวนะได้รับกินอย่างเดียวนะครับอหมายกายทาหน้าที่อย่างเดียวนะสัมผัสอย่างเดียวนะ้าจะร่อนน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับนี่ประธานใหญ่ข้าคือประธานใหญ่ประธานก็จะทําหน้าที่อย่างเดียวรับรู้อาอมณ์พวกบริวารท้งหลายทางหน้าคนครับครับ อ่าเอาและต่างคนต่างทำหน้าที่อย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นอายณะภายในส่วนอายณะภายนอกที่จะต้องเกี่ยวข้องกับนาตาในหูนายจมูกนายลิ้นนายกายคือตาหูจมูกไอรูปเสียงขีดรถโพธะทำอารมณ์เป็นเป็นเป็นตัวถูกลูกข้องใจนี่และกิเลสอยู่ตรงไหนล่ะเอารูปมีกิเลสไหมเสียงมีกิเลสไหม ดินมีกิเลสไหมรถมีกิเลสไหมสัมผัสต่างๆกินร้อนนองแข็งเดฝนตกแดดออกลมหนาวอะไรพวกนี้เขามีกิเลสไหมต่ า, ตาหูจมูกเลี้ยงกายมีกิเลสไหมทาอารมณ์มีกิเลสไห ม, ใ, ม, ม, ม, มใจมีกิเลสไหมใจทําหน้าที่อย่างเดียวกิเล ส, สมาจากไหนกระฐานใหญ่เขาก็ทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้นั้นเออเอามาเสนอมาในตากเสนอเรื่องรู้เข้ามาเออ ประธานรู้แล้วเฉยหูเสนอเสียงเข้ามาเสียงนั้นเสียงนี้เสนอขอ้อหาประธานประธานแล้วรู้ก็เฉยน่าวหูตาจมูกลิงกายเสนอเรื่องต่างๆเข้ามาหาใจผู้เป็นประธานใหญ่ประธานใหญ่ก็ประกาศแล้วจะทําหน้าที่อย่างเดียวเฉยแน่กิเลสอยู่ตรงไหนหละ่ะที่นี้นั้นแรกกิเลสก็คือทําหน้าที่เกิน เนี่ยตัวประธานใหญ่นั่นแหละตัวที่ทำหน้าที่เกินประกาศให้ลูกน้องแล้วก็ยังทำหน้าที่เกินเสนออารมณ์ดีขึ้นมาอ้าวหลงแล้วไปมาจบไปแล้วกับป้งแตงเรื่องดีๆนะั่นอยากให้มันดีอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยดีแค่นี้ก็อยากให้ดีกว่านี้ดีกว่านี้อยากให้ดีกว่านี้ เ, เรียกว่าเกือบดีดีดีที่สุด วิยาเขาไม่ดีที่สุดถ้าสุดดีเราก็คือทําเข้าใจเจ้าของโอ้ทําหน้าที่อย่างเดียวคือไม่ต้องไปปรุงอะไรทั้งนั้นแหละอย่างเราภาวนากําห น, นดจิตเข้าไปมะอารมณ์มันจะมาเลือกอะไรเรามาเลยบริวารงเรานัยตานัยหูนายจมูกนัยลิ้นนายกายนี่ส่งเข้ามาสงเข้ามาปั๊บลุเฉยหูส่ ง, เ, าาสงเสียงเข้ามาลุเฉยกลิ่นลดสัมผัสเสนอเข้ามานันัยมโนนี่เฉย ใชพออะไรคดทารักษาหน้าที่ตัวเองพอรับมันอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์นั้นไม่ต้องไปว่าดีไม่ว่านี้ถ้าว่าดีก็มันเกินแ่ะมันปรุงแต่งขึ้นมามันต้องการอีกถ้าว่ามันอารมณ์มันไม่ดีก็ขัดเครืองขึ้นมาไม่อยากได้ก็ปรุงต่ออยากได้อย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนี้กระปรุงต่อก็ทําหน้าที่เกิน น, นี้แหละตัวนี้มันเป็นเลยเป็นกิเลสทีนี้มันไม่อยู่ในหน้าที่ของตัวเองมันน่า ท่านยิงกิเลสอยู่ที่ใจนอกนั้นไม่มีถ้าใจรักษาหน้าที่ของตัวเองที่ประกาศตนเองเลยว่าอืมเป็นผู้เอเป็นใหญ่อืเป็นใหญ่ในการรับรู้ใช่ไหมมโนปุพังก็มาทำมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายทั้งวัฏทำอารมทั้งหมดนั่นแหละมีใจเป็นใหญ่นะ่างนี้เหรอเป็นใหญ่คือรูทเท่ารูทเท่ารูทเท่าเฉยรูทเท่าเฉยรูทเท่าเฉยเท่าเฉย จะไม่ยิ่งเสียแบบเพราะอารมณ์ทั้งหมดมันเป็นของดับไปดับไปดับไ ป, บไปเป็นรองเป็นหลานี่สาเหตุที่ใจต้องเฉยเพราะมันไม่กีลังอย่า ง, งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันยึดไม่ได้ถือไม่ได้มันมาหลอกหยิดอืมมาหลอกใจของผู้ประมาทเนี่ยมัาหลอกใจของผู้ประมาทไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองพุทธมาเน้นซี ท, นทําหน้าที่รับรู้ท่านนั้นเองแต่มัน ลูกเกินหน้าที่เนี่ยจึงเป็นกิเลสลูกบ้างโกรธบ้างหลงบ้างออยากได้เพิ่มแต่ไม่อยากได้ขัดเคืองมิดงิดเนี่ยจึงว่าสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองมีอยู่ห้าการทําสมาธิคือเพ่งจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเพ่งจิตอารมณ์มัเดียวหัดลงรูป มันไม่ได้เข้ามาพร้อมกันทั้งห้านะอารมณ์เนี่ยเรียกว่าตาเห็นมันก็เชือเรื่องรูปแต่ละข้างแต่ละข้างเน้ะเสนอเข้ามาเป็นเรื่องรูปก็เสียงบางทีมันพร้อมกันก็ตามแต่มันการรับรู้เป็นเรื่องๆไปจิตใจนะรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละนั่นแหละรู้ละเนี่ยเป็นรูปของพุทธนะพุทธะพุทธเจ้าพระองค์รูปจุดนี้เลยองค์จรละจึงปล่อยจึงวางเป็นองค์ของดับความดับทุกข์ จาโคมีอะไรก็ได้มาปุ๊บปัญญาก็รู้แล้วเราจะต้องจากเธอต้องออกไปไม่ได้จะมีเงินเมือนเงินแสลเงินล้านก็ตามไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเราก็ต้องละเราก็ต้องจากนี่ยาโคปัญญามันทันกับสิ่งที่สัมผัสปุ๊บปัจจนี้แต่โกเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ย เราจะต้องปล่อยจะต้องวางอยู่ไม่เมือนใดก็วันหนึ่งเป็นวางไปช่งช่วงอย่างที่เรามาทางธรรงนี่เราก็ปล่อยวางจากบ้านจากช่องจากงานในงานเรามะนี่เราก็ปล่อยวางแต่มันปล่อยวางเป็นช่วงช่วงมันไม่วางตลอดแต่วันใดวันหนึ่งจะต้องวางตลอดทีนี้เดอ๋ยต้องวางเด็ต้องปล่อยบ้านปล่อยช่องปล่อยญาติพี่น้องพี่พ่อแม่ลูกหลานไป S <S <an> ừ, เมื่อช่วงที่หมดลมนะในขณะที่เรามาฟังธรรมแล้วก็ปล่อยวางเป็นช่วงๆเป็นบางครัง้งบางโอกาสหนึ่งชั่วโมองสองชัวงง่วโมงหรืออาจจะเป็นหนึ่งวันแล้วแต่เราจะไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้หัดฝึกขัด ก, การละการปล่อยการวางเพื่อพอจะวางจริงๆมันฝึกมาดีแล้วฝึกมามากแล้วพอจะถึงข้าวไปจริงก็สบายจะไปวันไหนกับ เราฝึกละฝึกร่างมาแล้วแม้แต่ร่างกายทุกส่วนเราก็จะต้องทิ้งไปแล้วเหมือนพระอริยเจ้าท่างหลายเพราะรู้วันที่ท่านจะมรณภาพท่านก็เตรียมตัวละเลยคืนสู่สภาพเดิมจิตมันก็บริสุทธิ์แล้วนผู้รู้บริสุทธิ์แล้วเป็นมโนท่าท่าที่บริสุทธิ์สุดท่าสี่เป็น ท, าท่าที่ธรรมชาติที่มันมีอยู่ในโลกเรายืมมา ใช่สร้างบารมีเรายืมดินยืมน้ำยิมลมยืมไฟเข้ามามาสมมุติว่าเป็นอาการสารเสพติดสองอย่างที่เราสวดผมของเล็บผนังเนื้อเอ็นเส้นกระดูกตับไตไส่พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหมอาหารขก่าน้ำดีน้ำเส็ดน้ำมังคุดน้ำมะเืองน้ำมูดน้ำลายน้ำไขข้อพวกนี้่่ะอธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมพวกนี้มันอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่เราไม่เกิดมาน่นาะไงขี่กับขี่กันมาแล้ว เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มายืมใช้พอเขาจะจากไปจริงจริงก็ไม่อยากพยายามาจะราชจะมาเอาคืนก็ไม่ยอมคืนอย่างนี้มันก็มันก็เป็นความโลภปัจสมบัติของโลกนเขาจะมาเอาคืนแล้วนี่คนเราก่อนจะตามันจะรู้นั่นมันหายใจยดดอดัดอืมปอดหัวใจสองอย่างนี้นะ ทะเละกันนะธาตุสีมันไม่สานะมัคคีกันแล้วเมื่นแต่ก่อนมันศิลากาฆ่าสูุรสุดโทรมใช้ามานานแล้วมันก็ไม่สมดุลกันแหะนึกไหมไม่สมดุลกันเยียวยาตรงนี้ก็ไปล่วงตรงนั่นเยียวยาตรงนี้ก็ไปเป็นทรงนั่นอีกเยียวยาปอดกับเป็นที่หัวใจเยียวยาหัวใจกับไปเป็นที่หลอดลมไปอย่างนั้นเอาไปมาตรงนั่นก็เสื่อมที่ก็เสื่อมเอาไปมาธาตุลมหนีก่อนเขาเลย ไม่อยู่แล้วเว้ยมันไม่สามเชีกันถ้าลมก็ออกไปแล้วไม่ยอมเข้ากับปีเลยออกแก่ล่างไปแล้วไม่ยอมเข้าอีกพอท่านลมไปแล้วคู่ท่าคือท่าไฟเหยเป็นเพื่อนกันนะท่านลมกับท่าไฟไฟลูกอยู่ที่ไหนลมมาแล้วอืมไฟก่อนจะติดก็อาศัยลมอพอท่านลมไปแล้วท่าไฟก็ตามไปแหละที นะฮะตุธานหรือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่มันก็เอาไปเผาเอาไปฝังนั่นแหละจรินเนี่ยแน่คืนสุขภาพเดิมจิตใจที่หลงไม่อยากตายแหละตไม่อยากจะคืนโลภอ่ะโลภเระธาตุาดินธาตุน้ําทะลุน็อกไปก็เป็นบาปบาปก็คือความหลงไม่ใช่ของเจ้าของจริงๆคือนึกว่าเป็นของเจ้าของจริงเนี่ยเพราะไม่ได้ฝึกขัดเรื่องธรรมะมันจะมีโทษตอน เจ็ไข้ได้ป่วยหนักมันจะมีว่ามุ่นคุณมัวจะตายอยู่แล้วก็ยังไปหาวิธียิบมาให้ตายเอา้ยหาวิธีมาให้ตายเยอะแยะนะทุกวันเนี่ยธาตุขันข้างในมันมันไม่สามัคคีกันแล้วจะเป็นธาตุปอดหรือว่ปอดเหมือนกันหรือว่าตับเหมือนกันลำไส้เหมือนกันของเหมือนตอเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะเน่ามันจะไม่ทํางานเนี่เฟืองนี่นะ นี่แหะโทษของผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นทุกข์ตอนเวลาจะปัดซากจากของรักอประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักต่างๆป่วยอยู่แล้วก็ยังกระทบกระเทือนจิตใจยังมาบุนคุณมัวเป็นทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกขก์ขาดทุนอะไรีจากโลกไี้ไปด้วยเดี๋ยวว่ามาม า, มาสว่างไปมืด อ, อันนี้เรียกว่าพวกขาดทุนมาดีแล้วอยู่ดีกินดีสะดวกสบายไม่ค่อยมี เรื่องมีลาอะไรพ่อแม่ก็ดีแต่ว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องอชาติปีทุคาสลาปีตุคาสลาโมระนำปีตุขังหรือไม่พิจารณาเรื่องการเกิดมาเป็นทุกข์มีความเป็นอยู่แต่ละวันนี่จะเป็นทุกข์ทุกเรื่องความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารเนี้ยนะถ้าสังขารนั้นไม่เสื่อมมันไม่โสมมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนหาข้าวหาน้ำหาเสื้อหาผ้าหาแปาหผมหา อะไรมาเยียวยามันน่ะที่เยียวยาทุกวันเพราะมันเสื่อมไปสิ้นไปจึงเป็นภาระจะต้องมีเงินมีม้านมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินมียู่ยาท่านางมีเสื่องยานิบาลนะ่ะไปทุระตรงนั้นตรงนี้นีนน่จะเรื่องปัญหาทั้งนั้นแหละชีวิตนะถ้าพิจานานใน ห, หลักความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นที่เรามีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองเพราะเรามีกายมีใจทรัพย์สมบัติที่เป็นเมตุ ก, ก็เพื่อเยียวยากายธรรมะเพื่อเยียวยาใจ น, น, นี่นะนั่นแหละเราให้ เข้าใจในจุดนี้นะท่านั่นให้ตั้งใจปฏิบัติเอาปัญญาตามรูปพยนุนะอย่างที่กล่าวให้ฟังนะให้ทำหน้าที่อย่างเดียวแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราทำได้อย่างนี้เนะี่ยใจเราก็ บ, บริสุทธิ์เหลือแต่ความไม่โลภดูใจเมื่อไหร่ก็โอ้มันไม่กระตือร้อนไม่กระ ไม่ไม่มากๆจากหลายแล้วมันพอแล้วพอดีนี่ก็ดีพอแล้วเราดีพอพออยู่ในใจนั่งก็พอใจสบายเจ้าของยินดีในของเจ้าของที่มีอยู่ขนาดไหนก็มีความสุขขนาดนั้นสบายไม่ไปปรุงคิดไปติดขอดดด้องเรื่องน่นเรื่องนี้นั่นแหละนี่เราเรียก ว, ว่าคนใจดีใจจะดีได้เขา่ารู้จักพอ ดูจากพอดีดีพอ่อนั่นแหละจริงๆมีความสุขความสบายมีปัญญามีสติมีสมาธิอยู่ในนั่นไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องสมองคือนิวรณ์นั่นแหละจำไว้นะคนมีพุทธนะนี่ถึงนอนหลับอยู่ทั้งในมันก็ไม่หลับนะรู้อยู่เนี่ยอืมมีพุทธะรู้อยู่ทั้งนั่นไม่มีความ งแต่งในเพศตรงขา้ามไม่มีครามมชันทะพยาบาทจิตขัดเคือง ค, ณ น, คณนคู้นคนนี่ก็ไม่มีในจิตจะอยู่ท่าไหนก็แล้วแต่อยู่ท่าไหนาก็แล้วแต่การที่จะไปขัดเคืองคุณ น, น้ณนกนนี่ไม่มีขม่วงเหงาห้านอนอืมเศร้าไม่มี ความฟุ้งซ่านําคาญเรื่องนั่นเรื่องนี่ไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมก็ไม่มีคือเชล้วพระธรรมคือความจริงแน่นอนไม่ได้หลอกลวงอะไรทั้งมังเกิดก็เป็นอความจริงแก่ก็เป็นความจริงตายก็เป็นความจริงเก็บใค้ได้เป่วยก็เป็นความจริงอยู่ในร่างกายนี่มีอมีเรื่องความจริ ง, รงก็จิตก็เป็นาธาตุรู้รู้ตามความจริงะ มันก็จบแค่นันแหละวัตถจักมุจจะติมีอะไรอีกเล่านี่หละจึงอยากให้จะเดินทางสายปัญญาลองดูมันจะล่างความหลงทุกข์ขณะในตาาเห็นหูได้ยินนั่นแหละที่กล่าวให้ฟังดังได้แสดงมานะเห็นว่าสมควรเกิดกาละเวลาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้มากๆ ก, กว่าที่เราจะไปอ่าน ผมันเป็นท่งของนอกมันเป็นความจําความรู้จํามันเหมือนเป็นความรู้จริงรู้แจ้งถ้าเราปฏิบัติเป็นความรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดมันเกิดละได้ในใจของเราอ่านเป็นความจํามาจํามาเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่จํามามันเป็นสมบัติของผู้อื่นเป็นสมบัติที่เขาพิมพ์ไว้สมบัติของเราคือกําหนดรู้และเกิดละ ในจิตของเราเองถ้าเราลู่ละในจิตของเราเองนั่นเป็นเป็นความรู้ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์นั่นแหละเราจะได้สถานะที่พึ่งอันแท้จริงไม่ต้องวิรัยร่าคําควรเวลาจากโลกนี้ไปใจก็สงบเยือกเย็นสบายทั้งได้ชี้แจงสแสดงมาเห็นมาสมควรยีขาละเวลายีวังก็มีด้วยประการฉนี้